วันนี้เป็นวันพุทธที่17พฤศภาคมพุทธศักราช2566เป็นวันหยุดราชการศรัทธาญาติโยมผู้ฝ่ายธรรมจึงได้มีเวลาได้มาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้เรื่องของธรรมะที่คร้เจ้า ได้ทรงตัดสรุ้และได้นำเอามาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกผู้มืดบอดอย่างพวกเราให้ได้รู้ได้เห็นและได้รับประโยชน์จากสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสรุ้สิ่งที่พระเจ้าทรงตัดสรุ้และไม่มีใครในโลกนี้สามารถที่จะรู้ได้ด้วยตนเอง มีเพียงพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่จะสามารถรู้ได้ก็คือสัจธรรมความจริงสประการด้วยกันที่เราเรียกว่าพระอริยสัจสี่พระอริยสัจสี่คือความจริงที่มีปรากฏ ขึ้นอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกชนิดแต่สัตว์โลกนั้นกลับไม่สามารถมองเห็นและนำเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้เพราะไม่มีปัญญาความรู้ความฉลาดที่จะค้นคว้า ศึกษาความจริงอันนี้ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกทุกชนิดนานๆจะมีคนที่ฉลาดคนที่ฝ่ายรู้ฝ่ายศึกษาคนที่อยากจะรู้เรื่องราวที่ เป็นปัญหากับจิตใจของตนเองให้ได้รู้ได้เห็นและได้แก้ปัญหาของจิตใจของตนเองให้หายไปอย่างราบคาบสิ่งที่จะทำให้ปัญหาของจิตใจของสัตว์โลกอย่างพวกเรานี้หายไปหมด ก็คือความทุกข์ใจที่จะหายไปหมดได้นี้ก็หายจากการที่ได้เข้าถึงพระอริยสัจสี่เข้าถึงสัจธรรมความจรงิงสี่ประการด้วยกันที่มีอยู่ในหัวใจของสัตว์โลกทั้งปวงแต่สัตว์โลกนี้ไม่สามารถเข้าหา ัตจะทำความจริงเหล่านี้ได้ด้วยตนเองจึงจำเป็นที่จะต้องรอให้มีผู้ที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าผู้ที่สามารถเข้าถึงความจริงสี่ประการที่มีอยู่ในหัวใจของของสัตว์โลกได้การตัดสร้ ก็คือการได้รู้ได้เห็นสัจธรรมหรืออริยสัจสี่ข้อนี้เองที่มีอยู่ในใจของทุกทุกคน <c oughs> แม้แต่อยูใ่ในใจของพระพุทธเจ้าก็มีอริยสัจสีนี้แต่กว่าที่จะทำให้พระองค์ได้ทรงรู้ทรงเห็นพระองค์ก็ต้องใช้เวลาบาเพ็ญบารมี ต่างๆมาอย่างโชคชนเป็นเวลาอันยาวนานจนสามารถที่จะมีความรู้ความสามารถที่จะเข้าถึงศสัจธรรมทั้งสี่ประการนี้คือพระอริยสัจสีพอได้เข้าถึงแล้ว ก็จะได้กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพระองค์ให้หมดสิ้นไปถ้ายัางเข้าไม่ถึงพระอริยสัจสี่จะไม่สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ที่มีอยู่ในพระทยของพระองค์ ให้หมดสิ้นไปได้เพราะไม่รู้ถึงเหตุของความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในใจของพระองค์ว่าเกิดจากอะไรและไม่รู้ว่าถ้าได้รู้แล้วว่าเหตุที่ทําให้ความทุกข์เกิดขึ้นในใจคืออะไรก็ยังต้องไป หาคำตอบอีกว่าแล้วจะทำทาให้เหตุที่ทำให้ความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนั้นหายไปได้อย่างไรเพื่อที่จะได้ยุติความทุกข์ที่เกิดจากเหตุเหล่านั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครจะสามารถที่จะ ศึกษาค้นคว้าและปฏิบัติให้สำเร็จด้เรื่องไปได้ด้วยลำพังตนเองยกเว้นคนคนเดียวเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้ที่ได้ทำให้ความทุกข์ในพระไทยของพระองค์หมดสิ้นไปได้ด้วย กำลังความรู้ความสามารถของพระ อ, องค์เองจึงมีชื่อว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสั้นพระอริยสัจสี่ด้วยพระ อ, องค์เองและการที่ได้ตัดสั้พระอริยสัจสี่และได้ทำภารกิจในพระอริยสัจสี่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ จึงทำให้พระไทยของพระองค์นั้นเป็นพระไทยที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมนทินคือกิเลสเครื่องเศร้าหมองผู้ที่สร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจหมดสิ้นไปใจที่หมดกิเลสนั้นท่านเรียกว่าพระอาหารหันต์ใจที่ได้หลุดพ้นจากความทุกข ที่เกิดจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายอันนี้การที่ได้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยตนเองก็เป็นจึงมีชื่อว่าพระอาหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสร้ออพระอริยสัจสี่ที่ทำให้พระไทยของพระองค์ จากปุถุชนให้กลายเป็นพระไทยของพระอาหารหันต์ขึ้นมาเป็นพระไทยที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนี่คือสถานภาพของผู้ที่ตัดสรุธรรมด้วยตนเองจะเรียกว่าพระอาหารหันต์ตสมมาสามพุทธเจ้า แต่สำหรับผู้ที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าอีกทอดหนึ่งได้เรียนรู้เรื่องพระอริยสัจสี่จากพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติจิตในพระอริยสัจสี่ให้สมบูรณ์พอปฏิบัติได้สมบูรณ์จิต ก็จะเป็นจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมูลทินกิเลสเครื่องเศร้าหมองเหมือนกับพระไทยของพระพุทธเจ้าทุกประการแต่การได้เป็นพระอาหารหันต์ในสถานภาพของผู้ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านั้นท่านก็จะไม่เรียกว่าเป็นพระอาหารหันตสตสมมาสัมพุทธเจ้า แต่จะเรียกว่าเป็นพระอรหันหตัสสาวกสาวกก็คือผู้ศึกษานี่ผู้ฟังสาวกนี้มาจากคำบาลีแปลว่าผู้ฟังผู้เรียนรู้เรียนรู้อริยสัจสีจากพระอรหันหตัสสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้เป็นพระอรหันหตัดสาวกขึ้นมาดังนั้นในพระพุทธศาสนาแต่ละยุคแต่ละสมัยนั้น จะมีพระพุทธเจ้าเพียงหนึ่งรูปมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งรูปแต่จะมีพระอรหันตาสาวกเป็นจำนวนแสนจำนวนล้านได้แล้วแต่ความสามารถในการสั่งสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกว่าจะสามารถผลิต พระอรหันตสาวกขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไรนี่คือจิตใจที่สามารถที่จะแปลงจากจิตใจของปุถุชนที่หนาแน่นด้วยกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาให้กลายเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาและจิตใจที่ปราศจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาก็เป็นจิตใจที่จะปราศจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความสุขตลอดเวลาที่เรียกว่า นิบานังปละมังสุขขังจิตใจของพระอรหันตุกรูปนี้มีสถานภาพที่เรียกว่านิพานนิพานนี้เป็นจิตใจที่สงบร่มเย็ยนเป็นสุขปราศจากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่จะมาคอย สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้แก่จิตใจดวงนั้ น, นการที่จะเข้าถึงพระนิพพานนี้ก็ต้องผ่านการเป็นพระอาหารหันตสาวุคหรือเป็นพระอาหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>คือต้องมีความรู้ความสามารถที่จะเข้าถึงพระอาาริยสัจสี่และสามารถ ปฏิบัติกิจในพระอริยสัจสี่ได้สมบูรณ์สามารถกำจัดกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจความความความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในใจให้มันหายไปหมดเมื่อกิเลสตัณหาถูกทำลายด้วย ความรู้ความสามารถของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> ใจก็จะปราศจากความทุกข์ใจก็เป็นใจที่สะอาดบริสุทธิ์ <Yeah. S 1> ใจที่เป็นใจที่ปราศจากความทุกข์เป็นใจที่มีแต่ความสุขของฟ้านิพาน <Yeah. S 1> เป็นใจที่ไม่ต้องมีการไป เวียนไหวาตายเกิดอีกต่อไปใจที่ยังเวียนไหวาตายเกิดนี้เราเรียกว่าใจของวัฏจักรใจที่สิ้นสุดการเวียนไหวาตายเกิดเรียกว่าใจของพระนิพพานพระนิพนพานกับวัฏจักรนี้อยู่กันคนละด้านกันถ้ายังอยู่ในวัฏจักรแห่งสังสารวัฏ ก็ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่แต่ถ้าอยู่ในส่วนของฟ้าธิพานก็จะอยู่ในสีกที่ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดและการที่จะทำใจให้สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ <c oughs> ก็ต้องระ ง, งับ ต้นเหตุที่เราสร้างความทุกข์ให้กับใจใก็คือก <c oughs> ิเลสตัณหาต่างๆที่มีในใจนี้ให้หมดสิ้นไปและการที่จะทำให้ใจนี้หมดกิเลส ห, หมดตัณหาได้ก็อยู่ที่การปฏิบัติที่เรียกว่ามัคมัคคือการปฏิบัติ <c oughs> กายวาจาใจให้ชำระ ความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาให้สิ้นสุดไปจากใจถ้าไม่มีมรรคจะไม่สามารถที่จะทําให้ใจพ้นทุกได้ถึงแม้จะรู้ว่าความทุกข์ของใจนั้นเกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาแต่ถ้า ไม่มีมรรคเป็นเครื่องชำระกิเลตัญหาโมหะอาวิชชาใจก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่ได้นิโรธคือการสิ้นสุดหรือการหมดสิ้นของความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในใจนั้นก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้ทํากิจในในมรรค ให้สำเร็จรู้เลือกอริยาาสัจสี่นี่ก็อย่างที่ได้สแสดงไว้ว่าเป็นสัจธรรมความจริงสี่ประการด้วยกันที่พระพุทธเจ้า <c oughs> ได้ทรงตัดสรุได้ทรงเข้าถึงเป็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของสัว์โลก <c oughs> คือ อริยศาสตร์ข้อที่หนึ่งก็คือความทุกข์ใจนี่ความไม่สบายใจนี่ต่างๆโดยเฉพาะความไม่สบายใจหรือความทุกข์ใจที่เกิดจากการเกิดนี่เพราะว่าเมื่อมีการเกิดแล้วก็จะมีความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายที่เกิดนี้ตามมา และใจนี้ที่มีกิเลสกิเลสก็คือสมุทัยข้อที่สองอริยศาสตร์ข้อที่สอ ง, อ ข, อสองข้อที่หนึ่งคือความทุกข์ความทุกข์คือความไม่สบายใจต่างๆความเครียดความวิตกความกังวลความหวาดกลัว <Yeah. S 1> ปรากฏการเหล่านี้ที่ปรากฏขึ้นในใจนี้เราเรียกว่าทุกขสัจ ข้อที่หคืออริยสัจข้อที่หนึ่งมีชื่อว่าทุกขสัจคือความจริงที่เกี่ยวกับความทุกข์ที่มีปรากฏขึ้นอยู่ในใจของสัตว์โลกและความจริงข้อที่สองที่ปรากฏขึ้นในใจในสัตว์โลกทุกครั้งที่มีมีความทุกข์เกิดขึ้น ก็คืออริยสัย์ข้อที่สองที่เรียกว่าสมุทัยสั์สมุทัยสัจจะสมุทัยสมุทยมัท ย, ทยแปลว่าต้นเหตุของความทุกข์ทุกข์นี้เป็นผลผลที่เกิดจากเหตุเหตุคือ ส, สมุทัยสมุทัย ที่เป็นเหตุของความทุกข์นี้มีอะไรบ้างก็มีตัณหาความอยากนี่ตัณหาความอยากสามประการด้วยกันความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะชนิดต่างๆนี่เรียกว่ากามตัณหากามะแปลว่ากามาคุณหา้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะ ตัณหาคือความอยากกา마ตัณหาแปลว่าความอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผดทธธพะนีทุกครั้งที่เกิดความอยากที่จะเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนี้ใจจะเริ่มเกิดความทุกข์ขึ้นมาทันทีความทุกข์เริ่มปรากฏขึ้นมาทันทีเพราะเมื่อมีความอยากจะเสพแล้วนี่ใจจะอยู่ไม่เป็นสุขแล้ว อยู่เฉยๆไม่ได้อยากดูอยากจะฟังอะไรนี่ต้องไปหามาดูหามาฟังให้ได้ถ้าหาไม่ได้ใจก็จะหงุดหงิดนำคาญใจขึ้นอยู่กับสิ่งที่อยากได้ว่ามากหรือน้อยหนักหรือเบาถ้าอยากได้สิ่งที่เบาทุกข์ก็น้อยถ้าอยากได้สิ่งที่หนัก ทุกข์ก็จะมากคนเรา <c oughs> ที่ทุกข์กันนี่ก็เพราะว่าไม่ได้สิ่งที่อยากได้กันอยากได้รู้เสียกิจลดโสดพระพอไม่ได้ก็ทุกข์กันขึ้นมานี่ <c oughs> นี่คือเหตุและผลผลก็คือความทุกข์ใจโดยจากเหตุก็คือตัณหาความอยากกามาตัณหา ความอยากเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆเรานจากนั้นแล้วยังมีความอยาก <c oughs> ที่เรียกว่ากรารวัาภวตันหาและวิภาวะตันหาภาวะตันหานี่ก็แปลว่าความอยากได้อยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้คือได้อยากจะให้เป็นภาวะนั้นภาวะนี้ เช่นอยากให้ได้มีความสุขให้มีแต่ภาวะให้มีแต่ความสุขเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือวิภาวะตัณหาความอยากไม่ให้สิ่งไม่ให้ภาวะนั้นเกิดขึ้นหรือถ้ามีก็อยากให้หายไปเช่นภาวะของความทุกข์ เวลาเกิดความทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปอันนี้เรียกว่า <c oughs> วิภาวะตัณหาเนี่ยตัณหาสามสามตัวนี่กรารว่าตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานี่แหละเป็นตัวเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ต่างๆขึ้นมาในใจ และการที่ถ้าทาให้ถ้าสามารถทำให้เหตุทั้งสามนี้คือกามวตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหาระงับไปได้หรือหยุดได้เนี่ยก็จะมีผลเกิดขึ้นมาคือถ้าเกิดสมุ ท, ทยัยเกิดตัณหาก็จะเกิดความทุกข์ ถ้าหยุดตัณหาได้ความทุกข์ที่เกิดก็จะหายไปได้อันนี้ก็เป็นอริยศัสต ร, ร์ข้อที่สามที่เรียกว่านิโรธ <c oughs> การหายไปของความทุกข์เวลาตัณหาหายไปเวลาความอยากหายไปความทุกข์นั้นก็จะหายไปเวลาความอยากเกิดขึ้นมาความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นมา ดูการเชื่อมต่อของอริยสัจข้อที่หนึ่งข้อที่สองและข้อที่สามเกิดข้อที่หนึ่งและข้อที่สามนี้เป็นเป็นผลเกิดจากข้อที่สองคือตัณหาความอยากถ้ามีตัณหาความอยากก็จะเกิดอริยสัจข้อที่หนึ่งคือความทุกข์ใจถ้าหยุดตัณหา ได้อริยสัจข้อที่สามก็เกิดขึ้นมาคือการหายไปของความทุกข์ี่เรวันนิโรธแต่ <c oughs> การที่จะทำให้ตัญหาที่เกิดขึ้นมาแล้วหายไปได้นี้มันไม่สามารถมันบางทีไม่สามารถทำให้มันหายไปได้ <c oughs> ถ้าไม่มีเครื่องมือถ้าอยากจะทำให้ ตัญหาความอยากที่เกิดขึ้นแล้วมันไม่ทำให้มันหายไปไม่ได้ก็ต้องมีเครื่องมือที่จะมาทำให้มันหายเครื่องมือที่จะทำให้มันหายนี้เรียกว่ามัคก็เป็นความจริงเป็นอริยสัจข้อที่สี่ถ้ามีมัคเครื่องมือมัคนี้แหละจะเป็นผู้ที่จะมาทำให้ ตัณหานั้นหยุดได้หยุดตัณหาได้ถ้าไม่มีมรคนี้จะหยุดตัณหาไม่ได้ตัณหาก็เป็นเหมือนรถรถยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่อย่างนี้ถ้าจะหยุดรถยนต์นี้ก็ต้องมีเบรกเบรกรถยนต์รถยนต์ถึงจะหยุดได้ฉันใดถ้าต้องการจะหยุดตัณหาความอยากก็ต้องมีเบรกเบรกที่จะมาหยุดตัณหาก็คือมรคนี้เอง มักที่พระเจ้าได้ทรงสอนให้ชาวพุทธเรามาเจริญกันมาสร้างกันนี่แหละนี่คือตัวที่จะมาแก้ปัญหาตัวที่จะมาแก้ปัญหาก็คือมักตัวที่สร้างปัญหาก็คือตัวก็คือตัวความอยากตัวที่มาสร้างทุกข์ให้กับใจก็คือการมาทันหาความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดท่พาพ้ชนิดต่างๆ ความอยากมีอยากไม่มีเป็นต้นอยากให้นี่อยากให้มีอย่างนี้อยากไม่ให้มีอย่างนั้ น, เ, นเรียกว่าภาวะตัณหาวิภาวะตัณหา <c oughs> และการที่จะทำให้ความอยากนี้หายไปได้ <c oughs> เพราะบางทีเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วนี่เราไม่รู้จะทำยังไง <c oughs> วิธีที่จะทำให้มันหายมันเป็นวิธีที่ไม่ได้หายแบบ แท้จริงหายแบบถาวรก็คือการที่เราไปทำตามความอยากอยากดูอะไรอยากกินอะไรพอเราได้ไปดูได้ไปกินความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นก็จะหายไปชั่วคราวแต่มันไม่หายไปอย่างถาวร <c oughs> มันไม่ได้ทำให้ความอยากกินอยากดูอยากฟังหายไปอย่างถาวรมันหายไปชั่ว ชั่วคราวเวลาอยากอยากไปเที่ยวพอได้ไปเที่ยวความอยากเที่ยวมันก็จะหายไปชั่วคราวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเที่ยวมันก็หายไปมันก็เลยเกิดความสุขที่เกิดจากการได้ไปเที่ยวกันแต่พอกลับมาอยู่บ้านมาอยู่ในชีวิตปกติ กลับมาทํามาหากินอะไรตามปกติเดี๋ยวก็เกิดความอยากเที่ยวขึ้นมาใหม่วิธีที่ชาวโลกเราแก้ปัญหาความทุกข์ใจนี้เป็นวิธีที่ไม่ได้แก้ปัญหาแบบแท้จริงเป็นการเพียงแต่ระงับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากไว้ชั่วคราวด้วยการไปทําตามความอยากนั้นๆ ซึ่งไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาเพราะว่าไม่นานเดี๋ยวความอยากอันนี้ก็กลับขึ้นมาอีก <c oughs> แล้วก็ต้องไปแก้แบบเดิมอีกแต่เครื่องมือที่จะไปแก้มันก็จะร่วงโลยไปเรื่อยๆคือร่างกายมันก็จะแก่ลงไปเรื่อยๆความสามารถที่จะไปเที่ยวไปทำอะไรตามความอยากมันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆ จนเมื่อถึงเวลาที่ร่างกายไม่สามารถทำหน้าที่ทำตามความอยากได้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่จะมีแต่ความทุกข์อยู่ในใจอยู่เรื่อยเพราะไม่สามารถที่จะระบาย <c oughs> ความอยากให้มันหายไปได้ <c oughs> อันนี้เป็นวิธีแก้ปัญหาที่ เป็นการสร้างปัญหาไม่มีไม่มีวันสิ้นสุดทำเท่าไหร่ถ้าทำตามความอยากเท่าไหร่ความอยากไม่มีวันหมดมีแต่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมีมากขึ้นไปเรื่อยๆ <c oughs> จนถึงขีดที่ไม่สามารถที่จะตอบสนองความอยากได้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงของความทุกข์ใจของความเศร้าใจ ของความเครียดต่างๆอันนี้แหละไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีที่จะแก้ปัญหาต้องแก้แบบที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแก้คือต้องมาหยุดความอยากไม่ใช่ไปทําตามความอยากต้องทําให้ความอยากที่เกิดขึ้นในใจนี้หายไปและการที่จะทําให้มันหายใจได้นี้ต้องมีเครื่องมือนี้ก็คือมร นักนี้ก็เป็นอริยศาสตร์ข้อที่สี่ซึ่งเป็นสิ่งที่ยังไม่มีในใจของสัตว์ของผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุธรรมใจของผู้ที่ยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมนี้จะเป็นใจที่มีแต่อริยศาสตร์สองข้อแรกก็คือ มีความทุกข์ใจที่เกิดจากความอยาก <c oughs> อาริยสัจข้อที่สามและข้อที่สี่คือการหายไปของความทุกข์และเครื่องมือที่จะใช้ให้ความทุกข์นั้นหายไปนี้ยังไม่มีในใจของของสัตว์โลกต้องรอให้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มา สร้างอาริยสัตร์ข้อที่สามและข้อที่สี่ขึ้นมาก่อนพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นผู้ที่สร้างมรรคขึ้นมาหรือผู้ที่พ้นพวิธีสร้างมรรคที่มีอยู่ในใจ <c oughs> ให้เจริญเติบโ ต, ตขึ้นมาใจเรามีมรรคแต่ตอนนี้มันเหมือนกับว่ามันยังไม่มีการได้รับการสนับสนุนให้มันมี กำลังวังชาขึ้นมาทำหน้าที่ในการหยุดความอยากต่างๆนานจะมีคนที่ฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าที่ทรงมาค้นพบว่าการจะดับความทุกข์ใจการจะหยุดต้นเหตุของความทุกข์ใจคือตัญหาความอยากนี้จำเป็นที่จะต้องใช้มรรคที่มีอยู่ในใจ เพียงแต่ว่ามักที่มีอยู่ในใจนี้มีในจำนวนน้อยหรือมีกำลังไม่มากพอ <c oughs> ที่จะเอาไปใช้กับการหยุดความอยาก <c oughs> เพื่อจะระ ง, งับความทุกข์ใจ <c oughs> เพื่อจะทำให้อริยศัสตร์ข้อที่สามปรากฏขึ้นมา <c oughs> คือการหายไปของความทุกข์ <c oughs> ที่เรียกว่านิโรธ <c oughs> นิโรดนี้จะปรากฏขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อมักมีกำลังมากมากจนสามารถหยุดตัณหาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ <c oughs> นี่คืออริยสีสัตสี4ข้อด้วยกันที่ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ต้องการที่จะ ไม่ให้มีความทุกข์ปรากฏขึ้นมาในใจของตนอีกต่อไปจาเป็นต้องสร้างมรรคคือสร้างอริยสัจข้อที่สี่เพราะว่าเป็นสิ่งที่ยังไม่มีภายในใจหรือ <c oughs> มีก็มีในจำนวนที่น้อยมากไม่มากพอที่จะหยุดปัญหาความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้ มรี่พระเจ้าได้ทรงคนพบนั้นก็มีอยู่แปดแปดรายการด้วยกันแปดข้อด้วยกัน <c oughs> ที่เรียกว่ามรกิแปดอริยมรติมีแปดแปดข้อด้วยกันประกอบด้วยข้อที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐิ <c oughs> แปล ว, ว่าความเห็นชอบ ข้อที่สองสัมมาสังคโป <c oughs> ความดำริชอบหรือความคิดชอบข้อที่สามสัมมากรรมันโตการกระทั่งชอบ <c oughs> ข้อที่สี่สัมมาวาจาการพูดชอบข้อที่ห้าสัมมาอาชีโออาชีพชอบ ข้อที่หกสัมมาวายาโมความเพียรชอบข้อที่เจ็ดสัมมาสติ <c oughs> การระลึกชอบการระลึกรู้ชอบและข้อที่แดสัมมาสมาธิความตั้งมั่นชอบความตั้งมั่นของจิตในความสงบนี่คือมก ที่ต้องสร้างขึ้นมาในใจให้ได้ถ้าใจมีมรรคทั้งแปดข้อนี้ใจก็จะสามารถที่จะไปยุติต้นเหตุที่สร้างความทุกข์ใจ <c oughs> ให้หมดสิ้นไปจากใจได้ดังนั้นสิ่งที่เราต้องมาศึกษาก็คือมรรคแปดนี้ มังแปดนี้มีอะไรบ้างมีอยู่แปดข้อเรามีหรื อ, อยังในแปดข้อนี้มีอะไรบ้างมากหรือน้อย<ม>ก็ต้องศึกษาค้นคว้าดู<ม>ข้อที่หนึ่งสัมาราทิตฐิความเห็นชอบคืออะไรคือความเห็นว่า <c oughs> ความทุกข์ใจของเรานี้มีสาเหตุอยู่สองสาเหตุ ด, ด้วยกัน สาเหตุอันแรกก็คือการกระทำบาปต่างๆเวลาไปกระทำบาปทางกายทางวาจาแล้ว <c oughs> ใจจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมา <c oughs> นี่คือความเห็นข้อที่หนึ่งว่าทุกข์นี้เกิดจากการกระทำบาป <c oughs> ข้อที่สองนอกจากความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปแล้ว ยังมีความทุกข์ที่เกิดจากกิเลตตัญหาความอยาก mm hmm. คือการะทันหะภาวะันหาและวิภาวะันหา mm hmm. อันนี้ก็คือ <c oughs> ความรู้ในอริยสัจสีนี่ น, <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราต้องคอยสอนใจให้รู้อยู่ตลอดเวลา mm hmm. ว่าอะไรเป็นตัวที่มาทำให้เรามีความทุกข์กัน ตัวที่ทําให้เรามีความทุกข์ก็คือการทําบาปและการมีความอยากต่างๆมีความอยากในรูปเสียงจิตลดมีความอยากมีอยากเป็นและมีความอยากไม่มีอยากไม่เป็นอันนี้เราต้อง <c oughs> คอยสร้างความรู้อันนี้ให้เกิดขึ้นในใจอยู่ได้เรื่อยๆเพื่อที่เวลาที่เราจะไปทําอะไร เราจะได้อย่าไปทำในทางนี้คือการที่เราจะทำอะไรนี้ก็ต้องทำจากความคิดก่อนก่อนที่เราจะพูดเราจะทำอะไรได้เราต้องใช้ความคิดก่อนอย่างนั้นเราถ้าเราต้องการให้เราไปคิดไปพูดในทางที่ไม่สร้างความทุกข์เราก็ต้องมีสัมมาวายามะสัมมา สมาสังกร ป, ปรือที่ความดำริหรือความคิดที่ที่ชอบที่ถูกต้องคิดยังไงถึงคิดว่าถูกต้องก็คิดไม่ทำบาปนี่อยากไปคิดทำบาปเวลาที่เราจะคิดทาบาบนี้ถ้าเรามีสัมมาสังกร ป, ปรเราต้องเปลี่ยนมันทันทีว่าไม่ใช่คิดทำบาปไม่ถูกต้องคิดไม่ทำบาป <c oughs> แล้วก็เวลาที่เราคิด อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากไปหาความสุข <c oughs> จากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพพระชนิดต่างๆ <c oughs> เราก็ต้องไม่คิดในทางนั้นเราต้องคิดไปในทางเนธขมะ <c oughs> ในการออกจากการหากา ม, มาสุข <c oughs> แทนที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส <c oughs> เราต้องคิดว่าเราต้องยุติการหาความสุข <c oughs> <c oughs> อย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงจิตลดผลถะะแล้วก็อย่าไปหาความสุขจากภาวะต่างๆอยากจะให้ภาวะนั้นเป็นอย่างนั้นภาวะนี้นเป็นอย่างนั้นอย่าไปอยากปล่อยให้ภาวะเขาเป็นไปตามเรื่องของเขา<ม>อย่าไปยุ่งกับภาวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข<ม>์ป่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขา<ม> น, นี่คือสัมมาสังกโป ความคิดที่ถูกต้องเวลาที่เราจะคิดอะไรให้คิดในในสัมมาสังกปรคิดไม่ทำบาปคิดไม่ไปเสพกามคิดไม่ไปเปลี่ยนแปลงสภาวะต่างๆปล่อยให้สภาวะต่างๆเป็นไปตามภาวะของเขาเช่นภาวะของร่างกายร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ปล่อยให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไปถ้ารักษาได้ก็รักษาไป รักษาไม่ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามภาวะของมันถ้ามันจะตายถ้าห้ามมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันตายไปอย่าไปฝืนความจริง <c oughs> อย่าไปอยากในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันจะสร้างความทุกข์ให้กับใจ <c oughs> นี่คือสัมมาสังกปความคิดที่ถูกต้อง ก็ต้องอาศัยความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องก็คือทุกเกิดจากอะไรทุกเกิดจากการกระทำบาปถ้าไม่อยากจะมีทุกก็อย่าไปทาบาป ท, ทุกเกิดจากความอยากต่างๆถ้าไม่อยากจะมีความทุกก็อย่าไปมีความอยากต่างๆ <c oughs> นี่คือสองข้อแรกสัมมาทิฏฐิสัมาสมาสังกปโปเมื่อเรามีความคิดที่ถูกแล้ว การการะทำที่ถูกก็จะตามมารรมสัมมารกรมมโตสัมมากรมมโตก็คือจะไม่ไม่ทำบาปนั่นเองการไม่ทำบาปทำอย่างไรก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆนี่เรียกว่าเป็นการไม่กระทำบาปเรียกว่าสัมมารกรรมโตแล้วก็การพูด ที่จะพูดแล้วจะที่จะทำไม่ให้เกิดความความทุกข์ใจก็คือต้องไม่พูดปดเวลาพูดปดแล้วใจเราจะไม่สบายแล้วก็ไม่พูดคำหยาบ <c oughs> ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดสอเสียอันนี้คือสัมมาวาวาจาที่เป็นองค์ประกอบของมรรคข้อที่สี่มรรคข้อที่สามก็คือไม่ ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ดื่มของมึนเมาต่างๆถ้าเราทําได้สองข้อนี้ทุกที่เกิดจากการทําบาปก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาในใจของเรา <c oughs> แต่ทุกที่เกิดจากความอยากนี้มันยังไม่ได้หยุดจากการการอยากมัดข้อข้อที่สามแข้อที่สี่ ทุกที่เกิดจากความอยากนี้มันยังเกิดได้ถึงแม้ว่าจะไม่ทําบาปถึงแม้จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ดื่มของมึนเมาทุกที่เกิดจากความอยากในใจนี้ยังเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับวาจาถึงแม้ไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคําหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อความทุก์ที่เกิดจากความอยากก็ยังเกิดขึ้นได้ การที่จะทำให้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้มันหมดไปนี้ต้องต้องมีมรรคข้อที่อื่นมาร่วมด้วยแต่ก่อนจะก่อนจะไปข้ออื่นต้องไปข้อถัดไปก่อนคือสัมมาอาชีวการทำอาชีพที่ไม่ไปทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นเพราะถ้าเราไปทำความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นความทุกข์นั้นก็อาจจะกลับมาหาเราก็ได้ โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้วันใดวันหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะให้ความทุกข์นั้นเกิดมาจากการกระตวอบอาชีพที่ไม่ถูกต้อง<ม>ก็ทําอาชีพที่ถูกต้อง<ม>สัมมาอาชีวะอาชีพที่ถูกต้อ ง, อ ก, องก็คืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเมื่อเราไม่ทําอาชีพที่ไปทําให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อน ผู้ที่เขาเดือดร้อนเขาก็จะไม่มาทําให้เราเดือดร้อนนี่คือสัมมาอาชีวะอย่าไปทําอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นต้นหรือไปค้าขายเครื่องมือที่จะไปใช้ในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตต้องล่เรืนการทําอาชีพเหล่านี้จะได้ไม่ไปสร้างให้เกิดการจะได้ไม่ไปส่งเสริมให้มีการเบียดเบียนกัน ไม่ไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นเพราะถ้าผู้อื่นเขามีความทุกข์เขาก็อาจจะมาสร้างความทุกข์ให้กับเราก็ได้โดยตรงหรือโดยอ้อมก็ได้ไม่มีใครรู้เพราะคนเราเมื่อมีความทุกข์แล้วมันจะต้องร้านแค้นมันจะต้องระบาย <c oughs> ต้องระบายความทุกข์นี้ให้กับคนอื่นไปถ้าเราไม่ไปสร้างให้เขามีความทุกข์เขาก็จะไม่มาระบายความทุกข์ให้กับคนอื่น <c oughs> ดึงที่มาของสัมมาอาชีว์ต้องมีอาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปสร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วข้อต่อมาก็คือสัมมาวายามโมความเพียรชอบความเพียรชอบนี้ให้เพียรในในเรื่องอะไรก็ให้มาเพียร ใ, ในเรื่องของการที่จะมาลังกับ คือก็เพียนตั้งแต่เรื่องของการไม่ทำบาปก่อนเพียงในการในการไม่กระทำบาปคือสัมมากัมมันโตไม่ไม่พูดไม่ดีด้วยสัมมาวาจาเพียงด้วยการธรรมะหากินแน่ที่ที่สุดจริตที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนอกจากนั้นยังต้องมาเพียนจเจริญ <c oughs> มักข้อที่เจ็ดและมักข้อที่แปดเพราะมรรข้อที่เจ็ดและมักข้อที่แปดนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะมาหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจต่อไปนั <c oughs> ่นสมมาวายาโมก็คือให้มาเพียนเจริญสติมาเพียนเจริญสมาธินั่นเองมาสร้างสติ สติที่ยังไม่มีต้องมาสร้างให้มีเกิดขึ้นให้ได้เพราะที่เมื่อมีสติแล้วก็จะได้ไปสร้างสมาธิที่ไม่มีให้ปรากฏขึ้นมาให้ได้เพราะว่าถ้ามีสติแล้วมีสมาธิแล้วก็ <c oughs> <c oughs> จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้ถึงแม้ถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิถึงแม้จะมีสัมมาวะสมาธิฏฐิ แต่ก็จะไม่สามารถหยุดความอยากได้ถึงแม้จะรู้ว่าความอยากนี้เป็นตัวที่จะทำให้ <c oughs> สร้างความทุกข์ใจให้กับใจแต่ถ้าไม่มีสัมมาสติไม่มีสัมมาสมาธิจะไปทำให้สัมมากัรมโตอ้สัมมาสังกปรนี้หยุดความอยากไม่ได้ความคิดที่อยากจะไปทำตามความอยากมันก็ยังจะโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อย จะให้มันเป็นสัมมาสงมังกปรไม่ได้ถ้าไม่มีสัมมาสติสัมมาสมาธิถ้ามีสัมมาสติสัมมาสมาธินี้จะหยุดความคิดได้หยุดความคิดที่จะคิดไปทำบาปได้หยุดความคิดที่จะไปทําตามความอยากต่างๆได้หยุดความอยากได้ความอยากก็เกิดจากความคิดนี่เอง ถ้าหยุดความคิดได้ความอยากก็ต้องหยุดตามาะต้องคิดก่อนความอยากถึงจะตามมาได้ต้องคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรถผดสะพะเมื่อคิดถึงรูปก็อยากจะดูรูปขึ้นมาเมื่อคิดถึงเสียงก็อยากจะได้ยินเสียงอยากจะฟังเสียงเมื่อคิดถึงกลิ่นก็อยากจะดมกลิ่นคิดถึงรถก็อยากจะสัมผัสกับรถคิดถึงผดสะพะก็อยากจะได้สัมผัสกับ โพธะพะชนิดต่างๆแต่ถ้ามีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิ <c oughs> ก็จะสามารถหยุดความคิดต่างๆได้ถ้าจะคิดไปทางความอยากก็หยุดได้แต่ถ้าคิดไปในทางไม่ไม่อยากก็ปล่อยให้คิดได้ <c oughs> อันนี้ <c oughs> เป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาให้ได้คือสัมมาสติสัมมาวายาโม О ความเพียรชอบนี้เบื้องต้นต้องเพียรที่การเจริญสติอย่างเดียวเท่านั้นเองสตินี้เป็นตัวที่สาคัญที่สุด<ม>เป็นธรรมที่จะเป็นผู้ที่เป็นหัวหอกเป็นผู้ที่จะนำพาให้มรคนี้สามารถเข้าไปทำลายเข้าไปหยุดปัญหาความอยากที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของใจได้ ถ้าขาดสติแล้วเหมือนกับไม่มีผู้นำกองทัพเนี่เมื่อไม่มีผู้นำกองทีพนี้ก็จะไม่มีใครมีกำลังใจที่จะวิ่งเข้าหาฆ่าศึกศัตรู mm hmm. แต่ถ้ามีสตินี่เป็นผู้นำแล้วสตินี้จะไม่หวั่นกลัวกับอะไรทั้งสิน้นอะไรทั้งหลายทั้งปวงนี้สติถ้ามีสติแล้วจะไม่สามารถที่จะมาทำให้การดำเนินการ ต่อสู้กับปัญหาความอยากต่างๆนี้หยุดยั้งได้เลยถ้ามีสติเป็นผู้นำทาง <c oughs> พระพุทธเจ้าถึงทรงยกย่องธรรมคือสตินี้ว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดทรงเปรียบสตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าช้าง <c oughs> รอยเท้าช้างนี้เป็นรอยเท้าที่ใหญ่ที่สุดในบรรดารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่ในป่า รอยเท้าช้างนี้ครอบหมดเลยแม้แต่ทั้งสัตว์ที่ร้ายกาจกว่าช้างก็ตามเช่นสิงโตสัตว์เสืออะไรทานองนี้ถึงแม้ว่ามันจะร้ายกาจกว่ามีเป็นพิษเป็นภายต่อช้างก็ตามแต่ช้างรอยเท้าช้างนี้มันยิ่งใหญ่กว่าสตินี้มันสำคัญกว่าเพราะถ้าไม่มีสตินีปัญญากับสมาธินี้จะตาม จะจะดำเนินการไม่ได้พูดยังไงจะไม่มีกําลังที่จะไปต่อกอนกับตันหาความอยากได้<ม>จาเป็นที่จะต้องมีสติ<ม>ดังนั้นสัมมาวยาโมโอจึงต้องพุ่งไปที่การเจริญสติเป็นหลักก่อน<ม>ส่วนเรื่องอื่นก็รักษาทําไปสัมมากรรมันโตสัมมาวาจาสัมมาวยามอนี้ไม่ต้องใช้ความเพียรมาก สามารถทำได้ง่ายการไม่ไม่ทําบาป mm. เพราะว่าไม่ใช่เราอยู่ดีๆเราจะไปทําบาปตลอดเวลาบาปมันต้องมีเหตุมากระตุ้นก่อนถึงจะทําได้ดง <c oughs> ั้นเราสามารถที่จะดําเนินความเพียรด้วยการรักษา mm. การไม่กระทําบาปสามากัมมันโตสามาวาจาและสามาชิโรได้ไม่ยากเย็ย ต า, ตามกำลังของสติที่เรามีอยู่นี้ก็พอเพียงอยู่แล้วแ ต, แต่การที่จะทำให้ใจนิ่งสงบเป็นสมาธิที่จะทำให้ใจวางเฉยที่จะหยุดความอยากต่างๆได้นี้เป็นสติที่ต้องมีมากกว่าปกติที่มีอยู่ในตอนนี้สติที่มีอยู่ในตอนนี้พอที่จะรักษาศีลได้ พอที่จะทสัมมาชีวะได้แต่จะทำให้หยุดความอยากนี้ยังหยุดไม่ได้ดังนั้นสัมมาอาวายโม О คือความเพียรชอบนี้จึงต้องมาทุ่มเทให้กับการเจริญสติสาหรับท่านที่ต้องการที่จะกาจัดความทุกข์ในใจให้หมดสิ้นไปเยนี้จาเป็นที่จะต้องมาเจริญสติให้ได้ เพราะถ้าไม่มีสตินี้จะทำใจให้นิ่งเป็นสมาธิไม่ได้ทำใจให้เป็นอุเบกขาขึ้นมาไม่ได้<ม>ถ้าใจไม่นิ่งไม่มีสมาธิไม่มีอุเบกขาสู้ความอยากไม่ได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี้<ม>จะต้องค้อยตามไปทุกครั้งไป<ม>ถ้าไม่อยากจะค้อยตามความอยาก<ม>ก็ต้องหว่านเพรยเจริญสติคือต้องคอยควบคุมใจไม่ให้ ไหลไปตามอารมณ์ความคิดต่างๆเพราะอารมณ์ความคิดต่างๆนั้นก็เป็นอารมณ์ของความอยากทั้งนั้นความคิดของผู้ที่ยังไม่มีสตินี้จะไม่มีการดึงให้ไปคิดในทางไม่ไม่ไม่เสกกางจะเป็นแต่ไหลไปตามความคิดที่อยากจะเสบรูปเสียงกลิ่นรสอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นขั้นตอนนี้ต้องพยายามหยุดกระแสของความคิดเหล่านี้ให้ได้การที่จะหยุดกระแสความคิดเหล่านี้นั้นต้องมีกรรมฐานที่ผูกใจเอาไว้ที่เป็นเหมือนเสาหลักที่ผูกเอาไว้เพื่อที่จะไม่ให้สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่นี้มันออกไปเพ่นพ่านที่อ <S <S 1> <S 1> ื่นเช่นเรามีสุนัขที่เรารักแต่เราไม่อยากจะให้เขาออกไปนอกบ้าน เราก็อาจจะต้องผูกเขาไว้กับเสาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เขาอยู่เดินไปไหนมาไหนในบ้านได้เล่นในบ้านได้แต่ไม่ให้ออกไปนอกบ้านกรรมฐานนี้ก็คือเสาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ไหลไปตามกระแสของอารมณ์ของกามอารมณ์ต่างๆนั่นเองของกามตัณหาของภาวะตัณหาและของวิภาวะตัณหา เราต้องมีกรรมฐานในการเจริญสติ<ม>ต้องมีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจ<ม>กรรมฐานนี้ก็มีอยู่สี่สิบองค์ด้วยกันแต่ที่เราใช้กันทั่วไปในวงวงปฏิบัติของไทยเราของพระป่าเราก็คือการใช้พระพุทธเจ้าเป็นเสาหลักเ<ม>พราะเรามีศรัทธาในตัวของพระพุทธเจ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเรามีความมั่นใจในพระพุทธเจ้า ถ้าเราได้มีพระพุทธเจ้าลำ เ, เลิอกอยู่ในใจใจเราจะมีความมั่นคงมีความแน่วแน่มีความกล้ า, าหาญเราถึงนิยมใช้คําบริกรรมพุทธโธพุทธโธพอเรามีพุทธโธพุทธโธแล้วนี้กิเลยตันหามันจะเข้ามาไม่ได้เรารู้ว่ามันไม่กล้าเข้ามาอนุภาพของพระพุทธเจ้านี้ยิ่งใหญ่ไพศาลเราถึงนิยมใช้กรรมาฐานพุทธโธเป็นเครื่องผูกมัดจิตใจของเรา เราต้องขยันทำความเพียรให้ใจเรามีบริกรรมพุโทโธอยู่เรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับน <Yeah. S 1> อย่าปล่อยให้ใจไหลไปตามกระแสของความอยากต่างๆ <Yeah. S 1> อย่าให้ใจคาดจากพุโทโธพยายามให้มีพุโทโธหล่อเลี้ยงจิตใจไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> แล้วใจเราจะนิ่งจะเย็น <Yeah. S 1> เวลานั่งสมาธิใจเราก็จะรวมเป็นสมาธิ <Yeah. S 1> เป็นอุเบกขาขึ้นมา จะมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้ความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วนี้เราจะเมินกับความสุขที่ทางการอารมณ์ต้องการให้เราไปสวรรคหายต่อไปความสุขทางการอารมณ์เมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลย อันนี้แหละคือเป้าหมายที่เราต้องไปให้ได้ในเบื้องต้นคือไปหาความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการเจริญกรรมาฐานบริกรรมพุทโธพุทโธนี้ทําใจให้รวมเป็นสมาธิให้เป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้ทําใจให้เย็นให้สบายให้มีความสุขกับความสงบแล้วทีนี้เวลาเกิดกามารมขึ้นมาเวลาที่ออกจากสมาธิมานี้ เราจะมีกำลังต้านเรามีกำลังสองด้านด้วยกันกำลังด้านแรกก็คือความสงบที่ยังมีอยู่และสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นว่าการไปทมตามความอยากทางการอารมณ์นี้เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจพอเรามีสองส่วนนี้มาประกบกันมีทั้งสัมมาทิฏฐิมีทั้งสมมาส ม, มาธิ มารวมกันเนี่ยสององนี้พอรวมกันเราก็จะเรียกว่าเป็นพวนามายะปัญญาปัญญาที่สามารถดับความทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาในใจได้ปัญญาที่จะหยุดความอยากที่มีอยู่ในใจได้ต้องมีองค์ประกอบสององนี้มารวมกันมีสัมมาทิฏฐิตอนนี้เรามีสัมมาทิฏฐิแต่สิ่งที่เราขาดกันก็คือสัมมาสมาธิ ใจเรายังไม่เคยรวมเป็นหนึ่งเลยยังไม่เคยเข้าอัปปนาสมาธิกันต้องรวมให้เป็นอัปปนาสมาธิให้ได้ให้ใจมีความสุขที่เกิดจากความสงบแล้วก็มีอุเบกขาวางเฉยกับความอยากได้ความอยากจะมาท้าทายอย่างไรใจจะเฉยได้เมืนเฉยไม่สนใจเหมือนใครจะมาจีบก็ไม่สนใจ ใครจะเอาเงินมาใครจะเอาเก้าอี้ตำแหน่งรัฐมนตรีมาให้ก็เมินเฉยได้อยู่เฉยๆดีกว่าไปดิ้นหาความทุกข์ทำไมสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันมาแล้วมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับไม่ช้าก็เร็วเวลาดับความทุกข์ความสุขที่ได้ก็หายไปสิ่งที่ได้เข้ามาก็คือความทุกข์ใจ สำหรับคนที่มีอัปปนาสมาธิแล้วนี่จะไม่ไมสนใจกับลาบยศสารเสรินสุกอีกต่อไป mm hmm. เพียงแต่ว่ายังต้องใช้ปัญญามาสอนไม่ให้ยินดีกับมันเลย mm hmm. ยังอาจจะมีความยินดีอยู่ถ้ายังไม่มีปัญญาถ้ายังไม่มีสมาทิฐิแต่ถ้ามีสมาทิฏฐิปับจะเลิกยินดีเลยจะลืมเลยว่าลาบยศ ส, สรเสิญสุขความอยากในลาบยศ ส, สรเสิญสุขนี้ จะสร้างความทุกข์ให้กับใจขึ้นมาทันทีนี่แหละคือมรอออรคแที่เป็นองค์ประกอบที่สี่ของอริยสัจที่เป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดเพราะว่าอริยสัจข้อที่หนึ่งที่สองนี่เรามีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีสมุทยัยความอยากต่างๆมีความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆแต่สิ่งที่เราไม่มีก็คือการทําให้ความทุก ที่เกิดขึ้นนั้นหายไปและเครื่องมือที่เราจะใช้ให้มันหายไปเราไม่มีกันก็คือเราไม่มีมรรคที่มีองค์แปดนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ชาวพุทธเรามันจเจริญมรรคให้มากๆจเจริญสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิมรรคต้องจเจริญให้มาก ถ้าจเจริญให้มากแล้วเดี๋ยวมรรคก็จะสมบูรณ์เมื่อมรรคสมบูรณ์เมื่อไหร่มรรคก็จะทำได้ที่หยุดตัณหาความอยากได้กำจัดความอยากต่างๆที่มีในใจพอความอยากในใจหายไปทุกที่เกิดจากความอยากก็จะหายตามไปนิโรดก็คือการพ้นทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมาใน ใ, นใจนี่แหละคือความจริงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสัตวได้ทรงค้นพบ และได้นำได้และได้ปฏิบัติจนทำให้พระไทยของพระองค์นั้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงหลังจากนั้นก็ได้นำเอ า, าความจริงอันนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา mm. ผู้ที่สามารถนำเอาไปปฏิบัติได้สามารถสร้างเจริญมักให้ให้ได้เต็มเต็มร้อยก็สามารถหลุดพ้นจากความทุกข์บรรลุเป็นพระอรหันตสาวกเข้าสู่พระนิพพานกันได้ mm. เป็นจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบันนี้และยังจะมีต่อไปอยู่เรื่อยๆดาบใดที่ยังมีผู้ที่สนใจนขนวาวที่จะศึกษาและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างที่พวกเรากำลังกระทำกันในขณะนี้ก็คิดว่าจะเป็นเหตุที่จะทำให้ท่านทั้งหลายได้ไปสู่การหลุดพ้นต่อไปไม่ช้าก็เร็วอย่างแน่นอนก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติ ต, ต่อไป การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูธนาให้พรยาถาวาริวาหาปูราปิริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิตุทินังเปตานางอุปกาปติอิจชิตังปัจจีตังตุมหังคิดพะเมวะสมิจตุสัพเพุเรนตุสังคปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตะวันตราโยสุขีทีขาโยโกภวะอภิวาทนศีริสะนิจจางุทาปจายโน ยตารุธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังถ้าช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวเพราะหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะถามตอบหรือคุยกันอยากจะถามอะไรก็ เข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้มีมือถือก็ส่งเข้ามาทาง y o youtube หรือ a c e b o o k ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไห ร, ร่กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนาคุตจาก Facebook พระอาจารย์สุชาติ488ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์270ย o u t u b e Dr.V Channel 6 8วิทยุออนไลน์5ครับเฮาส์8หน้ากุดร1 3บรวมทั้งหมด9 5้าห้าบท่านค่ะ mm hmm. คำถามจากผู้รับฟังหน้ากุดค่ะอาการที่จิตมีอาการวิงวิงเบาๆเวล า, า, าไม่สวดมน หรือตอนนั่งสมาธิคืออะไรเจ้าคะกับตอนที่จะนั่งสมาธิกับสวดมนต์จะมีอาการวิ่งวิงที่จิตพอนั่งสมาธิจิตจะสงบเร็วมากคืออะไรคะเราไม่ใช่เป็นหมอเราอย่ามาถามเรื่องอาการปฏิบัติก็ต้องรู้จากอาการของตัวเองสิเราเบงบอกวิธีปฏิบัติเท่านั้น่ะไม่ใช่มาเป็นวิเคราะห์ว่าเ ป, นนเป็นนู่นเป็นนี่ อย่าถามว no? ่าปัญหาพวกนี้เลยเป็นอะไรก็เป็นอยู่มันเป็นกับตัวเราแล้วเราไปถามใครเลยก็ถามตัวเราสิมึงเป็นมึงเป็นอะไรวะก็ะทามนั้นเองอีกคำถามหนึ่งคล้ายๆกันนะคะก็อย่าถามเลยถ้ากันค่ะค่ะคำถามจากทาง y o u t u ู e พระอาจารย์สุชาติค่ะ สามีชอบออกไปดื่มเหล้าบ่อยๆเขาจะอ้างว่าออกไปดื่มเฉยๆไม่ได้ทำบาปอะไรผลของการผิดศีลคืออะไรคะขอบพระคุณค่ะ เ, เขาเมาแล้วก็ไปมีเมียน้อยต่อ คำถามถัดไปจากทาง y o ยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะตอนนี้ปฏิบัติทำอยู่บนเขาเจ้าค่ะแต่บางครั้งรู้สึกท้อแท้หมดหวังกับการปฏิบัติขอพระอาจารย์สั่งสอนด้วยเจ้าค่ะก็พักบ้างก็ได้บางทีเพียรมากเกินไปก็อาจจะทําให้ท้อได้ทําในสิ่งที่เรายังทําไม่ได้ก็พยายามทําในส่วนที่เราทําได้ไปก่อนส่วนที่เรายังทําไม่ได้ค่อยๆค่อยๆ ก้าวไปเทเล่ก้าวไปอย่ารีบร้อนพยายามรักษาระดับของการปฏิบัติของของเก่าที่เรามีอยู่ไว้ก่อนเราเคยปฏิบัติอะไรได้เราก็ปฏิบัติไปแล้วถ้าอยากจะให้มีกำลังใจก็ต้องฟังเทศฟังธรรมจากพระปฏิบัติที่เรามีศรัทธาครูบาอาจารย์ถึงแม้ท่านจะตายไปแล้วก็หนังสือของท่านก็ช่วยได้หรือเทป ธรรมะของท่านก็ที่แสดงไว้ฟังแล้วมันก็ทำให้เกิดกำลังใจได้ต้องพยายามฟังธรรมอยู่เรื่อยๆและได้ยินได้ฟังธรรมจากพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี้มันจะให้กำลังใจกับเราค่ะคำถามสักทางเฟ e บุ๊กค่ะบุญกริยาวัตถุสิบประการจำเป็นต้องเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทำตามกาลเทศะคะก็ทาตามกาลเทศะแล้วก็ มีบางข้อที่ต้องทําประจําน่ยเช่นทานนี้ควรจะทําประจําทําบุญทําทานทุกวันหทําให้เป็นนิสัยมากน้อยไม่สําคัญขอให้ได้ทำนะแล้วก็ศีลก็ต้องรักษาเป็นประจําภาวนาก็ต้องทําประจําทุกวันมากน้อยก็ทําไปฟังเทศฟังธรรมก็เดี๋ยวนี้เราสามารถฟังได้ทุกวันมีเวลาก็เอามาฟังเทศฟังธรรมทุกวัน นี่คือธรรมะที่เราควรจะทําเป็นประจํำนะส่วนส่วนบุญชนิดอื่นก็แล้วแต่โอกาสเช่นถ้ามีใครไปทําบุญเขาร่วมเชิญเราไปร่วมทําบุญเราก็อนุโมทนาไปกับเข า, านี้เราก็ทําอนุโมทนาบุญไปบางทีฝากเงินไปร่วมทําบุญด้วยถ้าเขาไปทําบุญที่ไหนเราก็อนุโมทนาไปเรียว่า มีมีงาน <c oughs> นี้มีงานที่ต้องช่วยเหลือกันเราก็ไปรับใช้สังคมรับใช้ผู้อื่นก็เป็นบุญ<ม>เวลามีกิจกรรมที่ยําเป็นยังต้องอาศัยคนอะไรคนช่วยกันทาให้สาเร็จเราก็ไปร่วมกันเก็ เ, เรียกว่าเป็นบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื<ม>่นก<ม>็แล้วแต่เวลาเราทาบุญทุกครัง้งเราก็อุทิศบุญได้อุทิศให้ผู้ที่ร่วมรับแล้วไปแล้วได้ การมีความอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือเวลาเราพบปะกับใครก็พยายามทำตัวเราให้ต่ำไว้คนต่ำนี่เข้ากับคนทุกคนได้ถ้าคนสูงเราก็เข้ากับคนอื่นยากหาเพื่อนได้ยากทำตัวให้ต่ำแล้วจะไม่มีใครรังเกียจคนชอบคนรักคนเอ็นดูน <c oughs> นี่ก็คือบุญต่างๆที่เราทำตามว่าทำกาลเทศะทาทำตามโอกาส แต่บุญที่ต้องทำประจาก็คือทานศีลภาวนากับการฟังเทศฟังธรรมนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำทุกวันมากน้อยก็แล้วแต่โอกาสก็แล้วกันยังไม่มีคำถามค่ะไม่มีแล้วหรอยังไม่มีมาค่ะไม่มีก็เอาเท่านี้ก็แล้วกันนะเราขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัต